ทุกวันเก่าๆทุกปาทที่เคยมีเราคำสิ่งทั้งเธอเบาๆที่บอกรักฉันแต่วันเวลาก็เปลี่ยนทุกเพลงที่ฉันนั้นเขียนมันกลเป็นรักก็ครามน้ำตาใจน้ ฉันต้องยอมเข้าใจหลังเธอก็เดินออกไปจากฉันที่เคยพูดว่ารักฉันจะลืมอย่างไรความว่า จมกับความเสียใจมันก็คงปีถ้าวันนี้ไม่มีฉัน wasted my days thinking you are the one ยอมรับความจริงที่ฝันมาเป็นแค่ฝันทิ้งจบเรื่องราที่ันยม่ไว้ที่ฉันท่านั้นพอสมองใี้รังทะไวแต่ใจต้องการให้พอถลกเช็น้ำตาที่คอ ใจต้องน้ำยาบรรม อ, อลลาฉันต้องจำยางไรตนวันที่เธอนั้นเริ่มบ อ, อกลาฉันต้องยอมเู้ใจเราจะ